คือศินสองรี่สิบเริ่มตั้งแต่สอนอนุศาสตร์กิจที่ควรทําและกิจที่ไม่ควรทําอนุศาสต์แปดอย่างนิสัยสีอาการณียกิจนิสัยสีคือกิจที่ควรทํอาอการณียกิจที่กิจไม่ควรทํารวมกันแล้วอย่างและสี่เป็น8อันนี้คือเบื้องต้นหลักพระธรรมคือมีทั้งนิใครหะคือการข่มคือบัญญัติวินัยไม่ให้ทำํำปักใครหะแปว่ายกย่อง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 ในสิน227ีข้อปาราชิตสี่สังฆาทิเศษส3สอนยศสองนิจกียปจิตตี30ปสปจิตตี92ิปฏิเทจนนยะ4ี่เสขียวัตร75ิ้ารวมเป็น220นับทั้งอธิกรณะสมทะเข้ารวมเป็น227แปลว่าสินของพระทั้งหมดในพระปฏิโมกมีอยู่227้อีข้อสินนอกพระปฏิโมก ค, คือสินอภิสมาจารมีมากมาย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 ให้เป็นคนดีให้เป็นพระดีให้เป็นสมมาณีที่ดีด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าพวกเราชอบใจพวกเราใจตรองพระธรรมตามแนวธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าแล้วพวกเราเคารพนับถือเลื่อมใสมีเหตุผลในพระธรรมของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นเราจึงยอมมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจา้าและก็ต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้า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 ถ, one, ถ้าเริ่มหยุดเป็นหลายนาทีแกแปลว่าชีวิตของเราเริ่มตายแล้วเริ่มหมดสภาพแล้วถ้าหายใจไม่ออกก็เหมือนกันถ้ามันเข้าแล้วหายใจไม่ออกเราก็ตายความตายไม่ได้อยู่ในที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจเข้าและหายใจออกถ้าเรามีสติอยู่เราก็จะดูได้ว่าเอออันนี้นคือบ่อกเกิดของชีวิตหรือว่าการเป็นอยู่ของชีวิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักถ้าจะว่าไปแล้วก็คือลหลายๆอย่างเหมือนกันอย่างหัวใจเหมือนกัน หัวใจทำงานอันนี้ก็คือเรื่องของชีวิตก็เหมือนกันมันเกี่ยวเนื่องกันหลายๆอย่างแต่ถึงยังไงผมจะไม่พูดถึงจุดนั้นพูดแต่เฉพาะลมอย่างเดียวถ้าลมไม่เข้าลมไม่ออกเนี่ยะชีวิตของเราไปว่าบ่งบอกแล้วชีวิตของเราไม่เป็นอย่างอื่นลตายแน่นอนเพราะนั้นการพิจารณาถึงมรณะภัยคือความตายตัวนี้ถ้าเราไม่ได้คิดให้ดีถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าเราไม่ได้ไ ต, ตรท้องให้ดี ถ้าจิตของเราไม่มั่นคงจิตของเราโปรงฟุ้งซ่านจิตของเราไม่แน่วแน่จิตของเราไม่เป็นหนึ่งเราจะพิจารณาความตายนี่มันไม่ซึ้งนะมันไม่เห็นตามความเป็นจริงเราก็เห็นเหมือนกัตสัตว์สาลาสิงมันตายตายแล้วก็แล้วไปเห็นคนตายตายแล้วก็แล้วไปมันไม่ซึ้งเพราะมันไม่ใช่ปัญญามันเป็นเห็นด้วยสัญญาและสังขารสัญญาคือความจาได้หมายรู้คนเกิดมาก็ต้องตายอย่างนั้น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 มาพิจารณาถึงความตายมันจะเห็นความตายด้วยความรึกซึ้งจริงๆตายนี่ไม่ใช่ของเล็กน้อยตายนี่แปลว่าตัดขาดจากโลกตายแปลว่าตัดขาดจากร่างกายตายนี่แปลว่าตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างจากพี่จากน้องจากวงศาขณาญาติจากทรัพย์สมบัติจากยศถาบรรดาศักดิ์จากวัดวาศาสน า, าจากร่างกายของตนเองร่างกายของตนเองก็หมดสภาพแปลว่ามันความตายตอนนี้แปลว่า มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเราในภพหนึ่งชาติหนึ่งในภพนั้นชาตินั้นถึงจะมีภพชาติที่สูงส่งยศถาบรรดาศักดิด์ร่รวยขนาดไหนก็ตามเมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วเป็นสภาพเดียวกันหมดเน่าลูกเดียวเน่าเฟซลูกเดียวผลที่สุดก็เอาไปเผาไฟเอาไปที่ไหนก็เอาไปเอาไปใส่หงซุยหงซีอะไรมันเหมือนสภาพกันทั้งหมดสรุปแล้วก็คือตาย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 ล้นเป็นขบวนขบวนถอยออกไปหลุดลอยออกไปมากที่เดียวเมื่อพิจารณาถึงมรณะรุสติและลึกถึงความตายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าจิตใจของเราคึกขนองจิตใจของเรากระจับกระสายสายแสออกไปข้างนอกลึกคิดออกนอกลู่นอกทางคิดสนุกสนานเพิดเพลินเฮนเาคิดอยากจะดื่มอยากจะกินอยากจะสนุกเหมือนกับเป็นครวัตถ้าพวกเราระลึกถึงความตายชอย่างเดียว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 ถึงจะใจบังคับให้ขนาดไหนมันก็อยู่ในกรอบในวิถีที่มันจะไปได้ที่มันจะทำได้ถ้าบังคับให้ออกไปจนร่างกายทำไม่ได้ร่างกายน่จะต้องแตกกระจายอย่างพวกเราคิดว่ากระโดดตึกกระโดดชารานกระโดดปายยอดต้นไม้แห่บังคับให้มันกระโดดมันก็กระโดดได้แต่กระโดดลงไปแล้วผลที่ออกมานั้นเป็นอย่างไรอันนั้นก็คือร่างกายแตกสลายนี้ก็เหมือนกัน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 แต่เหลือวิสัยจริงๆใจเขาบังคับให้ทําอย่างนั้นไปได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ในกรอบของร่างกายจะทําได้อย่างไงมากน้อยแค่ไหนเมื่อร่างกายเด็กเมื่อร่างกายเป็นหนุ่มเมื <ten> ่อร่างกายแก่ขีดความสามารถแต่และขั้นตอนก็มีอีกเหมือนกันเมื Turbo ่อร่างกายแก่แล้วเราจะไปทําเหมือนเป็นหนุ่มก็ๆๆๆบบ <Del i> ไม่ได้บังคับใจให้ทําอย่างเป็นหนุ่มก็ไม่ได้เพราะนั้นใจก็อยู่ในร่างกายอันเนี้ยมันบังคับบัญชา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 ที่ได้มาศึกษาในภาคปฏิบัติจิตภาวนาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนให้ปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างที่ผมพูดเบื้องต้นให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบังคับให้จิตใจอยู่ในความสงบเป็นหนึ่งไม่ให้จิตใจกระสับรส า, ายส่งไปออกไปภายนอกถ้าส่งออกไปอย่างนั้นแลว่าใจไม่มีกำลังใจไม่มีพลังใจไม่มีกาลังเมื่อใจไม่มีกาลังแล้ว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 ให้รักษาจุดไหนคืออยู่ที่ใจทีนี้พอมาย้อนอยู่ที่ใจสิลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาพอดีมันเข้ามาสู่ใจทั้งหมดใจตัวผู้รู้เนี่แหละไปลุ่มหลงกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใจของเราไปลุ่มหลงไปมัวเมาไปให้ความสําคัญต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ย้อนกลับมาดูใจของเราทีนี้ใจของเราเนี่แหละเป็นต้นเหตุใจดวงนี้มันก็เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขัง